บรรดาท่านประโยชนคาวจรทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่จะถึงเวลาจเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าก่อนที่จ ะ, จะเจริญพระกรรมฐานขอที่ตัวรับฟังเจรณาสิบห้าคำว่าจเจรณแปลว่าความประพฤติที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำ ไม่ใช่ว่าฟังแล้วแล้วก็จะปล่อยทิ้งไปหรือว่าจะถือว่าจรณะสิาหานี้เป็นจริยาที่พระอริยเจ้าจะต้องปฏิบัติแต่ฝ่ายเดียวก็หามีได้ค่ามจริงจรณะสิาหานี้เป็นจริยาที่พวกเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความก้าวเขว้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า ทั้นี้ก็เพราะว่าเราตั้งใจอุปสมบทบรญชาเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือว่าบรรดาท่านอมบาศกอุบาจิกาทั้งหลายที่ตั้งใจเสียสละความสุขที่อยู่ในการครองเรือน <c oughs> เข้ามาปฏิบัติสมณธรรมในพระพุทธศาสนาจ็ดที่มุ่งหวังปลายทางจริงๆนั่นก็คือพระนิพพาน หากว่าเราจะมาอยู่กันอย่างเชินที่เรียกว่าทำอะไรก็เป็นไปตามแค่อุปนิสัยอย่างนี้ก็รู้สึกว่ า, าขาดทุนมากเกินไปเพราะว่าคำว่าอุปนิสัยบางทีก็มีนิสัยเลวบ้างมีนิสัยดีบ้างถ้าเราพอใจในด้านนิสัยดีก็ถือว่าพอทุนแล้ ว, ว่ามีกำไร ถ้าเราพอใจในด้านที่มีนิสัยเลวก็หมายถึงอเวจีมหานรกนับอีกเป็นแสงกลับกวยัยกลับเกิดเป็นคนได้ก็ถือว่าเป็นกายขาดทนใหญ่จะนั้นความมุ่งหมายของมรรดาท่านหลายที่อยู่ในเขตของพรรนาตรัยจะเป็นพระเป็นเนนุบาสุบบาสิกาก็ตาม ก็ควรจะมีคติเป็นอันเดียวกันคือเราทำเพื่อหวังพนิพพานเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ในจารณะความระพฤต <c oughs> สำหรับความระพฤติพ่าอย่างนี้เป็นบทปัญญาติองค์สมเด็จตุสมาสมพดทธเจ้าทรงแนะ น, นำสั่งสอนให้ทำโดยเฉพาะข้อตน้นศีลและสมถะได้ผ่านไปแล้ว วันนี้ก็ว่ากันนี้งข้อดี่สองคืออินทรีย์สังวรคำว่าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่สังวรนี่แปลว่าระวังคือระวังส่วนที่เป็นใหญ่ในร่างกายของเราคำว่าเป็นใหญ่ในที่นี้ก็ได้หนึ่งตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูป <c oughs> หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียง จมูกเป็นใหญ่ในการสกรินลิ้นเป็นใหญ่ในการรับรู้รสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสใจเป็นใหญ่ในความรู้สึกที่กล่าวว่าใจเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ผมขอพูดว่าใจเป็นใหญ่ในความรู้สึกเพราะความรู้สึกและคิดนี่เป็นเรื่องของใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้ระวังก็หมายความว่าตาระวังตาในขณะที่เห็นรูปเราก็ควรจะพูดกันเป็นสองชั้นด้วยกัน <c oughs> เป็นชั้นของโล ก, กีวิสัยและชั้นของโลกุตระอันดับแรกจะขอพูดในชั้นของโล ก, กีวิสัยชาวโลกควรระวังตา ขณะที่ตายเห็นรูปรูปสวยหรือรูปไม่สวยรูปเป็นที่พอใจหรือเป็นที่ไม่พอใจกงจงอย่าทํอารมใจให้มเกิดความชั่วตอนนี้เพ อ, อะไรเพราะว่ารูปบางทงที่เราไม่พอใจเป็นที่ไม่พอใจของเราก็เกิดโดยการดังเกียดนี่ไม่ถูก ก็ภาวะของรูปไม่มีสัมไม่มีใครสามารถจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเองได้อย่าไปนั่งตำหนิตีตเตียงเขาได้อาการที่รูปเขาไม่สวยจะไปรูปคนจะไม่รูปสัตว์รบวัตถุ ก, ก็ตามนี่จงระวังตาอย่าทําตาให้เป็นตาหาเรื่องในการในการมองโดูรูก <c oughs> ไม่ให้เกิดความเล่าร้อนหูเวลาที่ดีฟังเสียง เสียงคนพูดเสียงนกร้องเสียงสัตว์ ร, ร้องเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตามทัศนะนิยมของเราก็จงอย่าสนใจเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเสียงถ้าเราไม่สนใจเข้ามันจะเกิดเป็นอาการขึ้นเรื่องเสรยดแทงจิตราะถือว่าเขาพูดพระหรือไม่พระเป็นเรื่องของคนดีหรือคนชัว่ว เสียงที่ฟังมาเพราะหรือไม่เพราะมันเป็นสภาวะของเสียงปล่อยมันไปอย่าหูไปหาเรื่องกับเสียงถ้าหูหาเรื่องกับเสียงเราก็ไม่มีความสุขเอาตาไปหาเรื่องกับรูปเราก็ไม่มีความสุขชาวโลกที่หาความสุขไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ระวางรังในเรื่องตาเรื่องหูเป็นต้นนี่เรื่องจ ม, มูก มีใหญ่ในการด ม, ดมกลิน่นความจริงจ ม, มูกมีไว้สำหรับสัมผัสกับกลิน่นกลิ่นเหม็นก็นดีกลิ่นหอมก็ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกตอ น, นี้เราจะเอาจ ม, มูกเข้าไปหาเรื่องกับกลินาา่นแต่บังเอิญเดินใกล้ไทยเขากลิ่นตัวไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราเราก็หลีกเลี่ยงไป อย่าใช้ปากให้เป็นปากเสียไปดินทาว่าร้ายตีเจองิ่งของเขาหรือว่าจะสแสดงมาทางกายเป็นที่รังเกียจอันนี้ไม่สมควรจะเป็นเหตุสร้างความทุกข์สำหรับริน้นเป็นเครื่องสัมผัสกับรถรถอาหารที่เราบริโภคคนปรุงเขาตั้งใจปรุงด้วยดีตามความพอใจที่ว่าดีเลิศแล้วจึงเอามาให้เรากิน แต่ว่าบาังเอิญไม่ไมถูกลิงของเราเป็นรสที่เราไม่พอใจก็อย่าไปนั่งนินทาว่าร้ายกล่าววาจาเสียดสีเขาจะเป็นภัมีความเด็ดร้อนอันนี้จรงระวังสําหรับกายที่มีสภาวะเป็นใหญ่ในการสัมผัสวัตถุบุคคลหรือว่าสัตว์ที่เราสัมผัสจะเป็นที่ถูกใจเราเสมอไปนั่นไม่ได้ จะดีหรือไม่ดีก็ไม่ควรจะตำหนิตีเตียนควรถือว่าสิ่งที่เราสัมผัสนั้นมันเป็นโลกีวิสัยที่เกิดมันได้มาเกิดมันแล้วไม่มีสามารถที่มีใครดัดแปลงแก้ไขได้สําหรับอารมณ์ใจเป็นผู้เป็นเจ้าอารมณ์ความจริงใจนี่เป็นนายใหญ่คนเราจะเลวหรือจะดีก็อยู่ที่ใจ ถ้าใจดีเสร็จแล้วตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้งก็ดีกายก็ดีมันก็ดีหมดถ้าใจเลวเสร็จแล้วตาก็เลวมองก็มองอย่างศัตรูกันถ้าฟังก็ฟังอย่างศัตรูฟังศัตรูากาสัมผัสก็สัมผัสแบบศัตรูสัมผัสถ้าใจได้กลิ่นทั้งทั้งที่เขามีกลิ่นหอมเราก็รังเกียจ เพราะจิตมันเป็นศัตรูนีรวมความว่าการระวังอินทรีย์หกได้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราจะระวังกันจริงๆก็ควรระวังที่ใจนี่ว่ากันโดยธรรมเมื่อกี้พูดทั้งทานโลกโลกนิยมรูปสวยถ้ารูปไม่สวยฉันไม่ชอบใจ นิยมเสียงเพราะเด้เสียงไม่เพราะฉันไม่ชอบใจนิยมกลิ่นหอมได้กลิ่นฉันไม่หอ ม, หอมฉันไม่ชอบใจอย่างนี้เป็นต้นโดยความจริงอารมณ์คนชาวโลกเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความโง่หาความฉลาดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราว่ากันถึงธรรมะเราก็มาจับจุดกันที่ใจระวังใจเสียตัวเดียว ใจจงรู้ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีการสัมผัสก็ดีทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้รวนแล้วจะไป็ น, นจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปที่ไหนจะมีความเที่ยงบ้างความสวยของรูปมันสวยได้กี่นาทีมันก็ก้าวก็ไปสู่หาความเศ้าหมองก้าวกรเสู่หาไปสู่หาความทำลายตัวเอง <c oughs> ก้าวเข้ไปสู่หความพังรูปผ่านตาแล้วก็แล้วกันไปอย่าสนใจในรูปสำหรับเสียงก็ไม่กันที่เรานิยมว่าเสียงเพราะถ้าเสียงเพราะเรานิยมเสียงอันไหนแล้วที่ชาวโลปีวิสัยที่เห็นว่าเพราะเพราะจริงๆไม่มีวันนี้ชอบเสียงอย่างนี้แต่วันรู่ขึ้นเสียงอย่างนั้นมาแ่อาจจะไม่ชอบ นั่นเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ดีปายธรรมะเห็นว่าเสียงก็ดีมันเป็นของไม่เที่ยงเสียงเพราะพูดแล้วก็ได้ยินแล้วก็หายไปเสียงไม่เพราะได้ยินแล้วมันก็หายไปแต่ที่เป็นกล้องอยู่ในใจเพราะใจมันเลวไปเอาเสียงทั้งหลายเหล่านั้นมาขังไว้ในใจ จังมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือจะชั่วไม่ใช่เพราะเสียงของชาวบ้านไม่ใช่ว่าเสียงของคนอื่นเราจะดีจะชั่วได้เพราะอาศัยละรักษากําลังใจของในดีไม่ยินดีในร้ายในรูปในเสียงทั้งกลิ่นและรสและสัมผัสก็เช่นเดียวกันขอพูดสั้นๆว่าอินทรีย์สังวรจงระมัดระวังตาอย่าติดในรูป น่ว่ากันโดยธรรมะจงใหญ่เห็นรูปว่าเป็นของเที่ยงจงใหญ่เห็นรูปว่าเป็นของดีใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจว่ารูปนี้มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเต็มบริความสกปรกรูปก้าวก็ไปหาความสุดโทรมรูปมีความสลายตัวไปในสุด จะไปยึดถือจะไปต้องการอะไรกับรูปจะรูปผู้หญิงรูปกระชายรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็าตามจงอย่าสนใจอย่าติดใจในรูปแม้แต่เสียงกลิ่นรสก็เช่นเดียวกันในการสัมผัสก็เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรจรังย่างยืนไม่มีอะไรทาวรเสียงผ่านประสาทหูแล้วก็หายไป ผ่านไปแล้วเราจะเรียกเสียงนั้นกลับคืนมาอีกไม่ได้ได้เห็นว่าเสียงมันสลายตัวเร็วกริ้งก็เช่นเดียวกันสัมผัสประสาทจมูกแล้วมันก็หายไปเจ้รถก็เหมือนกันรถนี่ไปเรื่องสำคัญใหญ่คนเร็วกันคนลงอบายภูมิเพราะรถนี่มากมากกว่าอย่างอื่นติดรถอย่างนั้นติดรถอย่างนี้แต่ความจริงรถทั้งหมด ปรากฏว่ามาผ่านปลายริ้นรู้สิกรส ถ, ถึงกลางริ้นรู้สิกรสพ็เลยลิงกลางเลยกลางลิงไปแล้วไม่รู้สึกเป็นอนว่าของที่มีรสดีหรือรสชั่วราการใดก็ดีก็ไม่มีสภาวะจีรังย่างยืนมันเลี้ยงกายไม่ได้นานมันห้ามกายแก่ไม่ได้มันห้ามกายป่วยไม่ได้มันห้ามกายตายไม่ได้จงยาติดในรส ถ้าเราจะกินอาหารก็เพีงคิดว่ากินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะกินเพราะการติดลสอาหารการสัมผัสก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสระหว่างเพศเป็นปัจจัยของความทุกข์และการสัมผัสก็ไม่มีการส่งตัวสัมผัสวันนี้ดีสัมผัสวันนี้อาจจะไม่ดี แต่การสัมผัสนี้ไม่ได้ช่วยให้เราไม่แก่ไม่ได้ช่วยให้เราไม่ป่วยไม่ได้ช่วยให้เราไม่ตายไม่ได้ช่วยให้เรามีสุขผู้ที่ติดในการสัมผัสเป็นผู้ดึงเอาความทุกข์เข้ามารประจำใจยอยู่ตลอดเวลาเจงนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าการระวังอินทรีย์ก็คือระวังใจนั่นเอง ไม่ต้องไปนั่งระวังอย่างอื่นรวมระวังใจที่เราทนเที่ยวเราอย่างเดียวใช้ได้ถ้าใจดีอย่างเดียวมีความรู้สึกสิวเสมอว่าทั้งรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสไม่มีอะไรจีรังย่างยืนไม่มีอะไรเป็นของดีมันเป็นของเลวทั้งนี้เพราะว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมไปแล้วก็มีการสลายตัวเป็นมิสุด ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราอย่างจริงจังถ้าเราไปติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสติดในสัมผัสก็แสดงว่าเราเป็นคนโง่อารมณ์ของเราจมดิ่งอยู่ในด้านข้าญวิชาคือไม่รู้ความจริงสภาวะอย่างนี้จะเป็นชายหรือหญิงพิสูุนรและสมณีก็ตามถ้าติดอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็นั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ขาดทน เกิดมาเป็นคนแล้วต้องกลับไปเกิดกันนรูใหม่นนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ใจที่จิตจู่ในติดจูในสภาวะทางหลายเหล่านี้เป็นสภาวะจิตที่เต็มไม่ได้ความมัวหมองถ้าคอยใจในรูปสวยถ้ารูปสวยสลายตัวไปจิตใจก็ไม่สบายถ้าเสียดายในรูปพอยใจในเสียงเพราะแต่เสียงหายไปจิตใจก็ไม่สบายเพราะเสียนายในเสียง พอใจในกิ่นหอมถ้กลิ่นนี่สลายหายตัวไปก็เสียใจใจไม่สบายเขาเสียนไดในกลิ่นถ้าพอใจในรถรถที่ผ่านสลายตัวไปวันหลังหาไม่ได้จิตใจกระวนกระวายมีความกุมเพราะเสียนไดในรถใจก็เศร้าหมองถ้าพอใจในการสัมผัสอาการอย่างนั้นถ้าไม่ปรากฏอีกจิตใจก็กรวนกระวายมีความเศร้าหมองใจมีความหนักใจ มีความเป็นทุกใจมีความกระวนระวายยานิจิตเศร้ามองพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสังคีตเถทุกติปาติกังขาก่อนจะตายถ้าจิตเศ้ามองแล้วก็ไปโสทุกติเป็นอนุนว่าอินทร์สังวรขมรนดาท่านอหลายจลุลธรรมระวังเพราะมันฆ่าความดีฆ่ากันมาซะมากแล้ว คนที่บางทีเราเห็นว่าท่าทางจะดีจะเป็นผู้ประเสริฐได้แต่บางท่านก็ไปติดในรูปรูปดึงไปสัวไบยภูมิบางท่านก็ติดในเสียงเสียงดึงไปสัวไบายภูมิอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นเขบรรดายท่านพระเถสาสนิายาชนและพโยคาวาจรทงหลาย จงเป็นผู้ระมัดระวังในตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งระวังใจเป็นสำคัญ <c oughs> ถ้าควบคุมใจเส้นได้แล้วตาเรามีเรามีตาก็คล้ายกับตากระทูดูสิ่งทั้งหลายทั้งหมดรู้สภาวะความเป็นจริงไปหมดว่ามันไม่ีรังย่างยืนไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรดีอย่างนี้เิ็นต้น นี่ข้อดีสามในจริยาที่เราจะพึงปฏิบัติกันองค์สมเด็จพระพักรวันทรงกล่าวว่าโพชเ น, นมตญยุตตาโภชเนมตญยุตตาแปลว่ารู้ความพอดีในการกินอาหารคำว่าพอดีในการกินอาหารไม่ละโมบโลภมากเกินไป การกินรู้จักประมาณในการกินดูว่าคนมากหรืคนน้อยอาหารมากหรืออาหารน้อยพอเชนเนมัตันยูตานี่จะไปลงท้ายมัเขานะพระนักธรรมเน้นเด็กๆ เ, เคยล้ อ, อ ก, กันบอกพอเชนเนมัตันยูตากลัหมายความว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารติดในรสอาหาร ไม่รู้จักประมาณในการกินคนมากของน้อยก็ตะปุมตะฟามถ้ากินก่อนก็ไม่ได้มองคนข้างหลังอย่างนี้เป็นความเลวของท่านผู้กินแล้วบางทีเวลาจะบริโภคอาหารใช้มือจ้วงลงไปสแสดงถึงความสกรปรกโสโครกมีจริยาไม่น่ารัก เป็นคนร่วมร่างไรจริยาอย่างนี้ก็ไม่รู้จักประมาณในการกินเหมือนกันและการกินนี่ก็มีหลายเรื่องจงอย่าติดในรถควาว่าติดในรถก็หมายความว่าถ้าไม่มีรถอย่างนี้กินไม่ได้เราต้องกินอย่างโ น, น้นเราต้องกินอย่างนี้อาหารอย่างนี้จี่จะเหมาะสำหรับเราอาหารอย่างโน้นจี่จะเหมาะสำหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกายโยคาวาจรทางหลายนอกจากจะติดในจารกินแล้วก็จงอย่าติดในภาชนะสำหรับใส่ของกินเรื่องภาชนะนี่ก็เหมือนกันชาวบ้านรู้สึกว่าจะยุ่งมากมีพระระดับนั้นมาต้องใช้ภาชนะอย่างนี้พระระดับน้นมาต้องใช้ภาชนะระดับนี้คนประเภทนั้นมาต้องใช้ภาชนะระดับนั้น เคยไปถามท่านจริงๆแล้วที่จัดให้ท่านท่านบอกว่าไม่สาคัญมันอยู่ที่มีอาหารหรือไม่มีอาหารเท่านั้น <c oughs> ชีวิตเจ้าทรงอยู่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ผาชนะรองรับเพราะมันเป็นของมีค่าชีวิตเจ้าทรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยอาหารมันมีเพื่อการบริโภคไม่เป็นโทษกก่ร่างกายมีคุณมีประโยชน์กก่ร่างกายนี่การบริโภคอาหารตอนมัวงวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคาวจรถไหลสำหรับพระเป็นต้นก่อนที่จะฉันอาหารต้องพิจารณาเป็นอาหารเรียบรื่คู่เลยสัญญาเสียก่อนจงระมัดระวังเรื่องนรกให้มากพระไม่ใช่คนคนก็ไม่ใช่พระคนมันแปลไว้ยุ่งพระแปลว่าปรเสริฐ สำหรับสมณนนีลุมาสุกุมบาศิกาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันท้าเอ็งมาปฏิบัติพระสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาที่เรียกกันว่าจเจริญพระกรรมฐานท่านให้นามคนประเภทนี้ว่าพระโยคาวจรร่วมความว่าเราก็เป็นพระเหมือนกันดังนั้นก่อนที่จะ ก, กินอาหารเข้าไปเนะ่ต้องพิจารณาไว้ก่อน ว่าหนึ่งเราจะไม่ติดในรถอาหารสองจะไม่กินเพื่อความอ้วนทีสามจะไม่กินเพื่อความผ่องใสของผิวกายสี่จะไม่กินเพื่อยั่วกิเลสทำไมเกิดขึ้นเพื่อสร้างอารมณ์ของกิเลสถ้าจะกินแบบไหน อารมณ์ที่เราต้องการจะกินนั่นคือเราต้องการกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นอาหารจะมีประเภทไหนแจะดีจะเร็วตามนีสชาวบ้านิยมเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าอาหารประเภทนี้สามารถจะยังอัาภาพให้เป็นไปไหมเป็นโทษทางมีในหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงหา้ามไม่มีโทษทางมีใน แล้วก็อาหารจะมีรสประเภทไรก็ช่างกินได้กินสบายๆเพราะ <c oughs> ว่าการกินเราต้องการยาแภาพให้เป็นไปเท่านั้นนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจงพิจารณาว่าอาหารทั้งหมดมีสภาวะมาจะกพื้นฐานเน่อความสุขสงบสัตว์ทุกประเภทที่ว่านำมาทำอาหารมันสุขสงบทั้งหมด สุกัปโลกยังไงก็ดูสิมันมีค่าวมันมันมีขี้มันมันมีเยี่ยวมยไม่ต่อไม่ต่ออธิบายกันถ้าคําว่าสุกับโลกเท่านี้ยังไม่รู้ก็จะไปนั่งเกิดเป็นคนกันอยู่ทําไมปัญญาเท่านี้ไม่มีความจะคิดไม่มีความรู้สึกในคิดไม่สามารถพิจารณาได้แล้วก็รีบตายไปเสียไป ทุกประเภทพืชพันธัญตาอาหารทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากความสุขภพเพราะว่าปุ๋ยทุกอย่างเขาสร้างขึ้นมาด้วยความสุขภพมันเป็นเชื้อเพื่อเกิดขึ้นอาหารของสัตว์ทุกประเภทก็สุขภกร่างกายของสัตว์ประเภทุกประเภทก็สุขรกในมากแม้เมื่อเขารวมกันมาทําเป็นอาหารให้เราบริโภคมันก็สุปรกอีกไม่ใช่สะอาด เวลาหิวเรามองไม่เห็นความสกรปรกเพราะความอยากมันมีมากแต่พอกินอิ่มแล้วที่ความต้องการไม่มีแล้วรีบล้างปากรีบล้างมือทำไมันล้างทําไมมันเหม็นเพราะมันสกรปรก <c oughs> ที่โยมพิจารณาว่าในเมื่อเรากินของสกรปรกเข้าไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปบำรุงบำรเลิศเป็นตัวเชื่อสร้างร่างกายให้ทรงอยู่ ร่างกายของคนของเราคนดีของบุคคลอื่นคนดีก็เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความสุขปรภเพราะมันเกิดขึ้นมาเดอํานาจเชื่ยสายของความสุขปรกพิจารณาอย่างนี้ทุกวันพิจารณาอาหารว่าสุขปรกพิจรารณาร่างกายของเราว่าสุขปรกพิจรารณาร่างกึ่งร่างกายของบุคคลอื่นว่าสุขปรกจงกระทั้งให้เกิดนิพิทายายความเบื่อหน่ายในร่างกาย อันนี้เป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงพระอนาคามีได้โดยไม่ยากขรรบรรดาท่านพุทธบริษัทสาหรับการแนะนาในด้านจรณะสิบห้าวันนี้ก็ได้ถึงข้อดีสามรู้สึกเร็วหน่อยเวลาสำหรับที่จะแนะนำกันก็รู้สึกว่าหมดไปแล้วต่อที่นี่ไปก็ขรรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกโคองสมเด็จพระปัณฑแก้ว ตั้งใจเพื่อรับฟังคาแนะนำในการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัตินี่ปล่อยให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นวิสุสมณนนุบ า, ส, บาสุคมบาสิกาปฏิบัติตามทธิยาสัยคือยะนนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้แต่ใจคุมไว้ในด้านในความดีก็แล้วกัน